ความมุ่งหมายและประโยชน์ของสมาธิในแง่ช่วยป้องกันความไข้เขวความเข้าใจในเรื่องประโยชน์หรือความมุ่งหมายในการเจริญสมาธินี้จะช่วยป้องกันและกำจัดความเข้าใจผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องสมาธิและชีวิตของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาได้เป็นอันมากเช่นความเข้าใจผิดว่าการบาเพ็ญสมาธิ เป็นเรื่องของการถอนตัวไม่เอาใจใส่ในกิจการของสังคมหรือว่าชีวิตพระสงค์เป็นชีวิตที่ปลีกตัวโดวยสิ้นเชิงไม่รับผิดชอบต่อสังคมเป็นต้นข้อพิจารณาต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์ในการป้องกันและกำจัดความเข้าใจผิดที่กล่าวแล้วนั้นสมาธิเป็นเพียงวิธีการเพื่อเข้าถึงจุดหมาย ไม่ใช่ตัวจุดหมายผู้เริ่มปฏิบัติอาจต้องเปลีกตัวออกไปมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตในสังคมน้อยเป็นพิเศษเพื่อการปฏิบัติฝึกอบรมช่วงพิเศษระยะเวลาหนึง่งและจึงออกมามีบทบาทในทางสังคมตามความเหมาะสมของตนต่อไปอีกประการหนึ่งการเจริญสมาธิโดยทั่วไปก็ไม่ใช่จะต้องมานั่งเจริญอยู่ทั้งวันทั้งคืน และ ว, วิธีปฏิบัติก็มีมากมายเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับเจริยาเป็นต้นจะเห็นได้จากหลักฐานเช่นที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไวในหลักสติปัฏฐานสี่เป็นต้นว่าบุคคลบางคนอาจใช้เวลาปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานสี่นั้นอย่างจริงจังต่อเนื่องกันเป็นเวลาเพียงเจวันเท่านั้นก็บรรลุอรหัตผลได้ สำหรับท่านที่สำเร็จพลนเช่นนี้แล้วการใช้สมาธิต่อจากนั้นไปตามปกติก็คือเพื่อประโยชน์ในข้อจิตธรรมสุขาวิหารส่วนเวลาที่เหลืออยู่มากมายในชีวิตก็สามารถใช้ให้เป็นไปตามพุทธพจน์ ท, ที่มีเป็นหลักมาแต่ดั้งเดิมคือเจรฐธพิฆเวเจริกังพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะ ภิกษุทั้งหลายจงเจ้าลิกไปเพื่อประโยชน์สุขของพระหูชนเพื่อเกื้อกาวรุนแก่ชาวโลกการดำเนินปฏิปทาของพระสงฆ์ขึ้นต่อความถนัดความเหมาะสมของลักษณะ น, นิสัยและความพอใจส่วนตนด้วยบางรูปอาจพอใจและเหมาะสมที่จะอยู่ป่าบางรูปถึงอยากไปอยู่ป่า ก็หาสมควรไม่มีตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าไม่ส่งอนุ ญ, ญาตให้ภิกษุบางรูปไปปฏิบัติ ธ, ธรรมในป่าและแม้ภิกษุที่อยู่ป่าในทางพระวินัยของสงฆ์ก็หาได้อนุญาตให้ตัดขาดจากความรับผิด ช, ชอบทางสังคมโดยสิ้นเชิงอย่างฤาษีชีไพรไม่ให้พิจารณาจากวินัยบัญญัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับคฤหัส ในด้านการเลี้ยงชีพเป็นต้นและบทบัญญัติให้พระภิกษุทุกรูปมีส่วนร่วมและต้องร่วมในสังฆกรรมอันเกี่ยวกับการปกครองและกิจการต่างๆของหมู่คณะประโยชน์ของสมาธิละชานที่ต้องการในพุทธธรรมก็คือภาวะจิตที่เรียกว่านุ่มนวลควรแก่งาน ซึ่งจะนำมาใช้เป็นที่ปฏิบัติการของปัญญาต่อไปดังกล่าวแล้วส่วนการใช้สมาธิรละานเพื่อประโยชน์อื่นจากนี้ถือเป็นผลได้พิเศษและบางกรณีกลายเป็นเรื่องไม่พึงประสงค์ซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ทรงสนับสนุนตัวอย่างเช่นผู้ใดบำเพ็ญสมาธิเพื่อต้องการอิทธิปาฏิหารผู้นั้นชื่อว่าตั้งความดำริผิด อิทธิปฏิหารนั้นอาจกอให้เกิดผลร้ายได้มากมายเสื่อมได้และมีทำให้บรรลุจุดหมายของพุทธธรรมได้เลยขอให้นึกถึงกรณีของพระเทวทัตและนักบวชก่อนสมัยพุทธกาลส่วนผู้ใดปฏิบัติเพื่อจุดหมายทางปัญญาผ่านทางวิธีสมาธิและได้อิทธิปฏิหารด้วยก็ถือเป็นความสามารถพิเศษไป อย่างไรก็ดีแม้ในกรณีปฏิบัติด้วยความมุ่งหมายที่ถูกต้องแต่ตราบใดที่ยังไม่บรรลุจุดหมายการได้อิทธิปฏิหารย่อมเป็นอันตรายได้เสมอเพราะเป็นเหตุให้เกิดความหลงเพลินและความติดมกมุ่นทั้งแก่ตนและคนอื่นและอาจเป็นเหตุพอกพูนกิเลสจนทวงให้ดาเนินต่อไปไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้เป็นปริโพธอย่างหนึ่งคืออุปสรรคอย่างหนึ่ง ของวิปัสสนาพระพุทธเจ้าแม้จะทรงมีอิทธิปาฏิหาริมามายแต่ไม่ทรงสนับสนุนการใช้อิทธิปาฏิหาริย์เพราะไม่ใช่วิถีแห่งปัญญาและความหลุดพ้นเป็นอิสระตามพุทธประวัติจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงใช้อิทธิปาฏิหาริย์ในกรณีเพื่อระ ง, งับอิทธิปาฏิหาริย์ หรือเพื่อรั ง, งับความอยากในอิทธิปาติหารสำหรับท่านผู้ฝึกอบรมก้าวหน้าไปในมัคแล้วหรือสำเร็จบรรลุจุดหมายแล้วมักนิยมในการเจริญสมาธิขั้นชานเป็นเครื่องพักผ่อนอย่างสุขสบายในโอกาสว่างๆเช่นพระพุทธองค์เองแม้จะเสด็จเจ้าริกสั่งสอนประชาชนจำนวนมากเกี่ยวข้องกับคนทุกชั้นวรรณะ และทรงปกครองคณะสงฆ์มูใหญ่แต่ก็ทรงมีพระคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือชายีและชานศีหลีหมายความว่าทรงนิยมชาญทรงพอพระทัยประทับในชาญแทนการพักผ่อนอย่างธรรมดาในโอกาสว่างเช่นเดียวกับพระสาวกเป็นอันมากอย่างที่เรียกว่าเททธธรรมมสุขาวิหารคือเพื่อการอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน ที่ปรากฏว่าทรงปลีกพระองค์ไปอยู่ในที่สงัดเป็นเวลานานๆถึงสมเดือนเพื่อเจริญสมาธิก็เคยมีการนิยมหาความสุขจากชาญ น, นี้บุคคลใดจะทำแค่ไหนเพียงใดย่อมเป็นเสรีภาพส่วนบุคคลแต่หากความติดชอบมากนั้นกลายเป็นเหตุละเลยความรับผิดชอบต่อส่วนรวมย่อมถูกถือเป็นเหตุตำหนิได้ ถึงแม้จะเป็นความติดหมกมุ่นในขั้นปราณีตกล่าวโดยพื้นฐานระบบชีวิตของพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาว่าตามหลักบทบัญญัติในทางวินัยย่อมถือเอาความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเป็นหลักสำคัญความเจริญรุ่งเรืองก็ดีความเสื่อมโทรมก็ดีความตั้งอยู่ได้และไม่ได้ก็ดีของคณะสงฆ์ ย่อมขึ้นอยู่กับความเอาใจใส่รับผิดชอบต่อส่วนรวมนั้นเป็นข้อสำคัญเมื่อมองโดยรวมในขั้นสูงสุดย่อมเห็นชัดว่าสำหรับพระพุทธเจ้าและท่านที่ปฏิบัติถูกต้องสมาธิมาช่วยหนุนการบำเพ็ญกิจเพื่อพระหูชนหมายเหตุ พึงสังเกต ต, ตามเรื่องในคำภีรุ่นหลังๆกล่าวถึงพวกฤาษีชีภัยก่อนสมัยพุทธกาลที่เจริญฌานได้เก่งกล้านิยมออกฌานเป็นกีฬาจึงมีศัพท์เรียกว่าฌานนักกีฬาซึ่งหมายความว่าฌานเป็นเครื่องเล่นสนุกหรือสิ่งสำหรับหาความเพลิดเพลินยามว่างของพวกนักพรตที่กล่าวถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าและพุทธสาวก ที่ยังไม่บรรลุอรหัตผลว่าเล่นชาญก็มีบ้างแต่ที่กล่าวถึงพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ว่าเล่นชาญกีฬายังไม่พบเลยเรื่องนี้ควรเป็นข้อสังเกตเกี่ยวกับความแตกต่างในการดาเนินชีวิตว่าวิถีชีวิตแบบใดเป็นที่พึงประสงค์ในพุทธศาสนาและวิถีชีวิตแบบใดเหมาะกันหรือยอมให้ได้ สำหรับผู้ที่พัฒนาอยู่ในระดับไหน